ทั้งลาบเสื่อมลาบทั้งยศเสื่อมยศนินทาสันเซิญทั้งสุขและทุกข์ตั้งแมีตาเนี่ยสรุปว่ามันมีสุขมากหรือทุกข์มากกันแน่เนี่ยนะก็มีทั้งสุขและทุกข์กันนะทุกข์บ้างสุขบ้างะนะถ้าชีวิตตอนที่หวานชื่นก็บอกโอ้สุขแท้ตอนที่สุดโสมก็เป็นอะไรตอนที่อับเฉาก็บอกโอ้ทุกข์แท้เนี่ยนะก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็ตาเนี่ยนะมันสิ่งที่อย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นนางหัวฝีเป็นปนา ง, นงลกูกศร แต่เชื่อไหมพระพุทธเจ้าคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามว่ามีตากับไม่มีตาไหนดีกันมีตากับดับตาได้เนี่ยไหนดีกันการมีตาเขาเรียกว่ามีทุกขการดับตานี่ยก็ว่าดับมีความสุขก็เริ่มมาคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นพระนิพพานคืออะไรอัปปวะตต์ความไม่เป็นไปแห่งตาและเหตุสร้างตานั่นแหละเป็น นี่โรคศัพท์ภาวะที่ดับตาภาวะที่ถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วจึงจะดับตาได้จริงๆนะถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วดับจึงจะดับเหตุให้สร้างตาได้อย่างเช่นว่าตัณหาที่ไหลมาทวานตาเนี่ยนะถ้าไม่เห็นพระนิพพานอยากคิดนะว่ารูปตัณหาจะเลิกชอบอนะมันดับดั บ, ด, บดับรูปประตันหาไม่ได้นะถ้าไม่เห็นนิพพานถ้ามรรคแปดไม่ถ้าเจริญมรรคแปด ไม่เห็นพระนิพพานจริงๆในรูปปัตนฐานดับไม่ได้นะถ้าหากว่ายังไม่เห็นพระนิพพานที่จะดับตาของสัตว์นรกดับไม่ได้ถ้าไม่มีตาปัญญาที่เห็นพระนิพพานจะดับตาของเดรัจฉานไม่ได้ดับตาไก่เป็นต้นเนี้ยดับไม่ได้มันก็แสดงว่าดับตาปูเป็นต้นก็ไม่ได้เนี่ยนะของเราเนี่ยพ้นจากว่าเอตาเนี่มันยื่นออกมายาวๆเป็นตาปูเนี่ยเป็นไปได้ไหมตาตีตาเขตาเลและก็เลือกตาเอียงเป็นต้นเนี่ยนะ พ้นไหมอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ไม่เห็นพระนิพพานเนี่ยภาวะของตาพร้อมที่จะเป็นแบบตาตีตายีตากุ้งยิงตาต้อตาต้อหินต้อกระจกตาสรพัดตาตาทุกอย่างเนี่ยนะถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานอยากคิดนะว่าจะพ้นจากปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นเพราะพระนิพพานเนี่ยจึงเป็นธรรมที่ดับตาถ้าเห็นพระนิพพานจึงจะดับตาได้ถ้าเห็นพระนิพพานเนี่ยจะดับตัญหาที่สร้างตาได้ น, นิพพานนี่จึงเป็นธรรมที่ดับดวงตาไม่ใช่ทำให้ตาบอดตาแตกนะนิพพานไม่ได้แปลว่าตาบอดนิพพานไม่ได้แปลว่าตาแตกนิพพานไม่ได้แปลว่าตาเสียแต่แปลว่าธรรมที่ดับตาเป็นธรรมที่ดับตัณหาพาให้มีตาเนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบทุกข์คือดวงตาและเหตุให้เกิดตาเนี่ยนะแล้วเอ๊คิดยังไงจริงก็เป็นมรรคปด เห็นอย่างไรจึงจ ะ, ะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทําให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับตาทั้งหลายเหล่านั้นได้ล่ะนะเห็นต้องเห็นว่าตานี้เป็นทุกข์สัตว์ตานี้เกิดอย่างนี้ตานี่ดับอย่างนี้ต้องเห็นแบบนี้บ่อยๆเลยนะหนึ่งตาคืออะไรตาประกอบด้วยภูตรูปและอุ وب. ปาทายรูปเป็นต้นแล้วตาเหตุให้เกิดตาคืออะไรเพราะตัณหาเกิดตาจึงเกิดเพราะกรรมเกิด ตันหาจึงเกิดตาจึงเกิดเพราะอวิชชาเกิดตาจึงเกิดเพราะอาหารเกิดตาจึงเกิดและตาก็เจริญเติบโตมาโดยลําดับถ้าตาดับเพราะอะไรดับถ้าอวิชชาดับแปลว่ามีปัญญาเนี่ยนะตาจึงจะดับตาได้ถ้าดับตันหาถ้าดับตันหาได้ตาก็ดับเพราะอะไรดับด้วยสมถะเนี่ยนะดับอวิชชาด้วยปัญญาถ้าดับอวิชชาด้วยปัญญาได้ตาก็ดับ ถ้าดับตันหาด้วยสมถะได้ตาก็ดับถ้าสมถะและวมีปั ส, สนาเคียงคู่กันดับกรรมได้ตาก็ดับนะแต่ถ้าตาชาตินี้นะตัดอาหารเป็นต้นเอาอะไรมาทิ่มมันก็แตกแล้วนะเพราะตันเพราะอาหารนั่นแหละเป็นตัวถ้าขาดอาหารตาก็เสียอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวิปริณมะตาทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเนี่ยนะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะตานี่เป็นของร้อนใช่ไหมร้อนไหมร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะมันเผาเนี่ยนะไฟคือโทสะนี่มันเผาเนี่ยนะเหรอไฟเพราะโมหะมันเผาตัวตาเองก็เป็นสิ่งที่มีชาติชราและมรณะเนี่ยนะโอ้ยมีตาก็โศกเนืองๆ เ, งเงสียใจบ่อยๆก็เพราะมีตาเนี่ยแหละ ได้เห็นอะนะเห็นสิ่งอันสเห็นสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาอยากจะเห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นดั่งใจปรารถนาเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นก็เป็นทุกข์เนี่ยเพราะนั้นภาวะของการดํารงอยู่แห่งสิ่งเหล่านี้เป็นการดํารงอยู่แห่งทุกข์แห่งโรคแห่งฝีเป็นต้นความเห็นอันนั้นเป็นสัมมาทิฐินี่นะทายังไงจะเห็นอย่างเนี้ยบ่อยๆเป็นปกติเป็นอัธยาศัยเรียกว่าเป็นเจริญเจริญทุกข์ขานุปัสนา เห็นเนี่ยนะเป็นชื่อเป็นแปลเป็นบาลีอีกทีว่าวิปัสนาเนี่ยนะปัสนาเนี่ยแปลว่าเห็นเห็นบ่อยๆเขาเรียกว่าเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มากๆเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยนะทำยังไงที่จะเห็นได้บ่อยๆเห็นแจ้งเป็นเนืองๆเขาเรียกว่าอนุปัสนาวิปัสนาเนี่ยก็วิอ่าเขาเราวิแปลว่าแจ้ง พิเศษไม่ใช่แบบเห็นแบบธรรมดาทั่วไปเป็นการเห็นพิเศษเห็นด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสนาถ้าเห็นบ่อยๆเป็นอัธยาศัยเป็นปกติเนืองๆเนี่ยเรียกว่าอนุปัสนาเนี่ยนะตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงบ้างเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเห็นว่าเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศอนเห็นแต่ความทุกข์ยากลำบากแล้วก็สิ่งว่าการดามีตาเนี่ยเรียกว่ามีภัยถ้าดับตาได้นี่ก็ ปลอดภัยการมีตานี่เรียกว่ามีทุกขการดับตานั้นมีความสุขก็เริ่มคิดแลนะ้วใชไหการมีตาเนี่ยเรียกว่าเป็นเหยื่อล่อของมานถ้าดับตาเนี่ยตาเนี่ยเป็นเหยื่อของมานเป็นเหยื่อของกิเลสมานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่มีตาก็ไม่เป็นเหยื่อของกิเลสมานตานี่เป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเนี่ย น, นะถ้าดับตาก็เป็น อสังคตะธรรมไอการเห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นนี่เป็นอนุปัสนานนอตรึกเพื่อที่จะเห็นเป็นสัมมาสังกัปปะการเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิการคิดอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นสัมมาสังกัปปะคิดเพื่อที่จะเห็นคิดให้มันเห็นไข้ครวญเพื่อให้เห็นเป็นเนคขมวิตกเป็นอัพยาบาศวิตกแล้วก็เป็น อวิเหงษาวิตกคนเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้บ่อยๆมันก็พูดตามแนวนี้แหละถ้าเห็นแบบไหนคิดแบบไหนมากมันก็จะเป็นคนที่คิดแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนที่เจริญตานหาบอกตาเนี่ยสวยก็คือดูจนสวยจนได้แบบนั้นเถอะก็บอกเอ้าล้าตอนนี้ตาเนี่ยแมมเสียหายไปเยอะเลยนะคิดเคยสวยนก็จะคิดย้อนสรุปว่าคิดจะดำรงมั่นอยู่ด้วยความงามดำรงงามอยู่ดำรงมั่นอยู่ด้วยความสุข วิปัสสนากับตันหาจะคล้ายกันเป็นอภินิเวศะเหมือนกันเป็นการยึดเหมือนกันตันหายึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่างามยึดว่าเป็นอัตตาวิปัสสนาก็ยึดเหมือนกันแต่ยึดว่าไม่เที่ยงยึดว่าเป็นทุกยึดว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกไม่งามแล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยบอกโอ้ตาตาเนี่ยงามเหลือเกินเนี่ยเอาไม่เอาน้าในตามาดื่มได้ไหมไม่ได้มันมีแต่เรื่องในหนังมีอยู่เรื่องเดียวเขามีตาหนึ่ง เป็นสต์อ่าเป็นในเรื่องนะนะเป็นเป็นโบราณน่ะคนโบราณถูกลูกศอนยิงตาทิ้มตาปอกเข้าไปเนี่ยนะก็เดึงมาลูกตามก็หลุดมาด้วยเอย๊จะทิ้งว่าโอ้ยไม่ได้ของพ่อของแม่กลืนกินก็ไปเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นของพ่อของแม่ให้มาก็ต้องกลืนกินเอาไว้เลยมีอยู่คนเดียวนะ่ะนะที่เหลือก็กิกนแบบตาปลาทูใช่ไหมบางคนก็ชอบกินตาปลาทูมากเนะี่ยะ ก็มีอยู่เท่านี้ตาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ h e ้ c การมีตาเนี่ยความรู้ความเห็นเนี่ยนะเป็นเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะความเข้าใจนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติความเห็นก็เป็นข้อปฏิบัติคิดบ่อยๆใครครวนบ่อยๆก็เป็นการปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับตาเพรันการเจริญสติปัฏฐานทวารตาเนี่ยคือการเจริญเพื่อให้ดับตาการเจริญวิปัสนาทวารตาก็เจริญเพื่อดับตาเนี่ยนะ เพื่อให้ตรัสรู้รมเป็นที่ดับตาเพราะคําว่าดับเนี่ยเป็นชื่อของพระนิพพานนิโรธเนี่ยนะภาวะที่ดับทุกภาวะที่สงบทุกเนี่ยทั้งอย่างถ้าเรามองว่าทวารตาเนี่ยเป็นทวารที่เป็นเป็นทุกเนี่ยนะแล้วก็มาดูว่าเอ้ถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยเมื่อกี้สวดว่าถ้าหากว่าเรารู้นิพพานเนี่ยนะทวารตาจะเลิกเมาว่าตาเนี่เป็นอัตตาถ้าตรัสรู้นิพพานเนี่ยนะ จะดับว่าตาเนี่ยเป็นอัตตาเลยนะหายเมาในความเป็นอัตตาไม่สําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเลยเนี่ยนะหายเมาเลยนะถ้าถ้าตรัสรู้พระนิพพานอ่ะจะหายเมาว่าตาเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วเนี่ยนะถ้าเห็นนิพพานที่ดับตานะจะเลิกกระหายนตะัณหาเลิก <Yeah. S 2> อยากเห็นเลยทันที พอเพียงพอแล้วที่จะเห็นนย่างนั้นเถอะไอ้ที่เห็นมานี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็คืออิ่มที่จะเห็นต่อไปเพราะฉะแต่ถ้าตันหานะมันกระหายที่จะเห็นใช่ไหมลองปิดตาไม่ให้เห็นสักว่าถ้าไปไปไปดูแลให้หมอตาปิดตาให้ไม่ได้เห็นตั้งสามวันเนี่ยโอ้เสียใจใหญ่เลยนะแต่ว่าถ้าคนนี้เขาไม่กระหายที่จะเห็น ไม่กระหายที่จะเห็นแล้วก็ถอนความอาลัยคือตัณหาอย่างไม่เหลืออาลัยเนี่ยถอวเป็นชื่อของเยื่อใหญ่เยื่อใยในการเห็นถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วจะดับความเยื่อใยในการเห็นออกไปได้พระนิการมีตาและสร้างตัณหาในทวารตาเนี่ยเป็นการสร้างวัตตะทั้งสร้างกรรมวัฏวิปากวัตเละกิเลสวัตนิพพานจึงเป็นธรรมที่ดับวัตะในทวารตาพระนิพพานเนี่ย แต่ก็เห็นได้ยากจริงๆอันนนเห็นยากจริงเพราะคนที่จะเห็นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีศีลวิบัติถวานตาไม่มีทิฏฐิวิบัติถวานตาไม่มีทิฏฐิวิบัติถวานตาต้องเห็นตาเป็นตาแต่ปัญหาว่าไอ้คนนี่เห็นตาเป็นตาไหมเห็นตาว่าเป็นเราบ้างเห็นตาว่าเป็นของเราบ้างเห็นตาว่าเป็นอัตตาของเราบ้างไม่ได้เห็นตาตามไม่เห็นตาว่าตานี่เป็นตาเลยเนี่ยนะ อาแล้วเห็นเป็นอะไรก็เห็นว่าเป็นเราบ้างเห็นว่าเป็นของเราบ้างเห็นว่าเป็นของคนอื่นบ้างเห็นว่าเป็นคนนั้นบ้างเห็นว่าเป็นของคนนั้นบ้างเห็นแต่ไม่เคยเห็นว่าตาเป็นตาตาเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เมื่อไม่ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะอันนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติ วิบัติทางทิฐิเนี่ยนะพอทิฐิวิบัติปั๊บตามด้วยศีและวิบัติเพราะอาศัยตาเอาไว้ทุศีลเดี๋ยนะเอาไว้ดูเพื่อที่จะได้ผิดศีลผิดธรรมนั้นทิฐิวิบัติศีและวิบัติเชื่อไหมทวารตาทุกภาพที่เราเห็นภาพทุกภาพที่เราเห็นเป็นอารมณ์ให้เกิดพบใหม่ได้หมดเลยนี่เราเห็นเพื่อเกิดเพื่อเกิดในสวรรค์หรือเห็นเพื่อจะเกิดในอบายเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่มีตาเนี่ยนะดูเพื่อให้เกิดในสวรรค์หรือดูเพื่อให้เกิดในอบายโดยมากอ่ะ นย่านันำหน้าเบ้เลยนะก็บอกเอามีภาพไหนบ้างที่เชื่อว่าแหมคิดถึงภาพนั้นแล้วไปสวรรค์ได้แน่ตั้งแต่เกิดมาแล้วเห็นเนี่ยนะมีภาพสกิภาพเนาะที่เห็นแล้วคิดว่าไปสวรรค์ได้แน่นอนเพราะการเห็นของเราเนี่ยมีเยอะไหมในตายพีม่มากไหมเห็นแล้วก็โอ๊ยไปสวรรค์แ น, น่ผลจากการเห็นเนี่ยนะก็ต้องคิดเอากันแล้วกันว่าโดยรวมๆแล้วภาพ เรีว่าภาพที่เห็นแล้วสะพานสวรรค์หรือว่าสะพานอบายเนี่ยอันไหนามากกว่ากันสะพานสวรรค์หรือว่าตกสะพานนั่นนะทำให้ไปสู่อ บ, บายนี่ก็คิดดูว่าเพราะภาพทุกภาพที่เราเห็นเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ น, นะเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ของพบใหม่แล้วภาพที่เราเห็นสามารถที่จะเป็นคตินิมิตคตินิมิตเป็นภาพที่เป็นที่ตั้งแห่งชาติต่อต่อไปได้นี่ น, นะเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่ได้ ตาเนี่ยจึงเป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิภาพที่เห็นเนี่ยเป็นอารมณ์ของจุติจิตและปฏิสนธิจิตต่อไปพันสีทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นเป็นธรรมที่สร้างวัตตะเป็นที่ตั้งแห่งวัตตะแต่ว่าถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้ววัตตะเหล่านี้เป็นสงบดับวัตตะทุกเหล่านี้ซิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งวัตตะอีกต่อต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นน่ยใครที่จะได้ธรรมะอนันต์เนี่ยที่จะมี ทั้งสีและสมบัติอรรถกฏสีและวิสุทธิมีทั้งทิฏฐิวิสุทธิมีคุณธรรมพอที่จะเห็นพระนิพพานอนั้นก็ต้องเป็นคนที่สั่งสมบุญทวารตา ม, มามากก็ต้องตั้งไว้เลยเออเนี่ยเราเห็นเพื่อเจริญศีลเราเห็นเพื่อเจริญ อ <hés> นเะเจริญเห็นเพื่อเจริญอธิศีนเห็นเพื่อเจริญอธิ จ, จิตเห็นเพื่อเจริญอธิปัญญาเห็นเพื่อเจริญสมมญ Holiday, ติปทานเห็นเพื่อเจริญสัมมาปทานเห็นเพื่อเจริญอิทธิบาทเห็นเพื่อเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพชงเจริญองมร์เนี่ยนะเห็นเพื่อเจริญสมถะและวิปัสนาเห็นเพื่อเป็นสีระวิสุทธิจิ ต, ว, leri, ver, ว, ตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเห็นเพื่อร qui, วบรวมคุณธรรมเพื่อนําออกจากทุกเนี่ยนะแต่เชื่อไหมโดยมากมันเห็นด้วยอภิชากะโทมานัท เห็นเพื่อจะชอบกับเพื่อจะชังนะโง่เหมือนเดิมเนี่ยนะก็เห็นเพื่อจะชอบกับเห็นเพื่อจะชังเห็นเพื่อจะสูบเข้ากับเห็นเพื่อที่จะพ่นน้ำละอะไรก็เรีว่าพ่นพิษใส่ลงไปสิ่งนั้นคือลักษณะของตันหาเนี่ยนะถ้าเห็นปั๊บมันจะสูบเข้ามาก็เรียกว่าอภิชาเนี่ยเห็นปั๊บติดเหมือนมือนเหมือนมือประหมึกเลยนะดึงเข้ามาควับเข้ามาดึงเข้ามาไว้ในใจเห็นนีอภิชาก็จะสูบเข้ามาลักษณะนั้นเห็นปุ๊บน้อมมันั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรา โทสะมันพ่นพิษใสเลยเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยพ่นพิษใสเลยเนี่ยนะก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเสียหายมันเสียจริงไม่จริงไม่รู้หรอกพ่นพิษใสเลยไอ้คนนี้มันเลวมากเนี่ยนะก็พ่นพิษใสเลยใช่ไหมกระพ่นแบบอะไรนะแบบอสรพิษอ่ะนะเหมือนงูเหา่าอ่ะพ่นพ่นพิษใสเลยโอ้ไม่ดีเนี่ยพ่นไฟคือโทสะเข้าไปปล่อยควันเข้าไปเนี่ยนะสังเกตดูสายตาที่พ่นควันออกมามันเป็นยังไง พ่นโทสะเนี่ยนะพ่นด้วยอํานาจโทสะหรือไม่ก็สูบเข้าด้วยอํานาจของโลภะแล้วก็โอยมืดคละคลุ้งไปหมดด้วยอํานาจของโมหะเพราะไม่รู้ความความจริงเมื่อไม่ตรัสรู้ความจริงเข้าก็ไม่รวบรวมคุณธรรมก็เลยเจริญแต่อภิชากับโทมานต์อภิชากับโทมานต์ก็เลยเศร้าหมองอย่างชนิดที่หาที่สุดไม่ได้แต่ในทวารตาพระพุทธเจ้าเจริญมรรคแปดได้เนี่ยนพะฉะนั้นพระองค์จึง ได้ในสิ่งที่ได้โดยยากเนี่ยนะได้โดยยากของเรามีจักขู่เพื่อเห็นรูปแต่พระพุทธเจ้ามีธรรมะจักสุขเนี่ยนะเพราะพระองค์เห็นว่าตานี่เป็นทุกขตัญหาที่มีในการก่อนเป็นเหตุให้เกิดทุกความไม่เป็นไปความดับสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงธรรมะที่ดับทุกขได้นะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงธรรมททระรรมที่สงบทุกได้เนี่ยนะ